2.12 การดูจิตจะรุ่งเรืองในเมืองวงเล็บเปิดสิเมษายนสอ5พัจุดจุดนาที22วงเล็ปิดเมื่อปี2526วันหนึ่งหลวงพ่อนั่งอยู่กับหลวงปู่ดูลย์อยู่ๆท่านก็เปรยขึ้นมาเฉยๆว่าต่อไปการดูจิตจะรุ่งเรืองในเมืองพูดอย่างนี้นะลูกจิ์ฟังแล้วไม่เชื่อสักคนเลยคิดว่าจะรุ่งเรืองไปได้อย่างไรมีแต่รุ่งริ่งในสมัยเมื่อปี2526 ไม่มีคนรู้จักการดูจิตนะส่วนมากดูถูกการดูจิตด้วยซ้ำไปจะรุ่งเรืองได้อย่างไรไปที่ไหนมีแต่คนดูกายยังสายท่านพุทธทาสทำอาณาปนาสติก็ดูกายสายพองยุบก็เรื่องกายสายครูบาอาจารย์วัดป่าส่วนมากพุทโธก็มารู้กายสายอาจารย์แนบรู้อิริยาบทสี่ก็เรื่องกายสายหลวงพ่อเทียนนะขยับไม้ขยับมือก็เรื่องกายไปทางไหนมีแต่กายรุ่งเรือง อยูย่ๆหลวงปู่กับพูดขึ้นมาว่าต่อไปการดูจิตจะรุ่งเรืองในเมืองเวลาผ่านมาปรากฏว่ามันรุ่งเรืองจริงๆนะมาถึงวันนี้ใครไม่ดูจิตค่อนข้างเฉยแล้ววันก่อนหลวงพ่อไปงานหนังสือเห็นมีโฆษณามีหนังสือการดูจิตออกมาพิมพ์ขายเยอะแยะเลยเดี๋ยวนี้ไปที่ไหนก็สอนดูจิตดูจิตจริงๆดูอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะส่วนมากที่ดูไม่ใช่จิตหรอกไม่ถึงจิตจริงๆส่วนมากไปดูได้แค่อาการของจิตไม่ได้ดูตัวจิตจริงๆ ดูความปรุงแต่งของเขาดูมายาที่เขาสร้างขึ้นมาดูไม่ถึงต้นตอของมันเสียส่วนใหญ่มาถึงวันนี้ทำไมการดูจิตถึงรุ่งเรืองในเมืองแท้จริงแล้วสังคมมันเปลี่ยนนั่นเองเมื่อ2ี่สกว่าปีก่อนโน้น30ปี4ี่ปีก่อนนั้นสังคมเราเป็นสังคมเกษตรวันหนึ่งวันหนึ่งคนทำงานที่ไม่ต้องคิดมากกรรมาฐานที่เหมาะกับชีวิตที่เรียบเรียบง่ายๆอย่างนั้นคือการทาสมาธิแล้วรู้กาย ทุกวันนี้สังคมเราเปลี่ยนไปหมดแล้วมีแต่ความเร่าร้อนทุรนทุรายทำสมาธิไม่ลงแล้วทีนี้ท่านอาจจะทำนายจากแนวโน้มทางเศรษฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ก็ได้นะถ้าไม่พูดเรื่องปาฏิหาริย์สังคมเราเปลี่ยนเป็นสังคมเมืองคนในเมืองนี่กรรมฐานที่เหมาะคือดูจิตนั่นเองเราไม่มีเวลาวันละห้าชั่วโมงไปนั่งสมาธิเดินจงกรมหลายๆชั่วโมงในแต่ละวัน การดูจิตไม่เบียดบางเวลาทำมาหากินเราฝึกได้ตั้งแต่ตื่นนอนเลยหลวงพ่อฝึกตั้งแต่ตื่นนอนตื่นนอนตอนเช้าตอนนั้นยังทำงานอยู่ตื่นตอนเช้านึกขึ้นได้ว่าวันนี้วันจันนะจิตใจแห้งแลง้งข้าราชการที่ดีนะวันจันใจจะต้องแห้งแลง้งใครเป็นบ้างสารภาพมาตื่นมาวันศุกร์นะจิตใจสดชื่นถ้าใกล้วันหยุดที่ติดต่อกันหลายวันนะยิ่งสดชื่นยังช่วงสงกรานนะ เริ่มหยุดวันศุกร์ตั้งแต่วันจันทร์วันางคารก็เริ่มสดชื่นแล้วกรรมาฐานนี่ทําง่ายตื่นนอนขึ้นมานึกขึ้นได้ว่าวันนี้วันจันทรจิตใจแห้งแล้งรู้ว่าแห้งแล้งเห็นเลยว่าความแห้งแล้งเป็นสิ่งที่แปลกปลอมขึ้นมาในใจเราความแห้งแล้งไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเป็นแค่นา ม, มาทําอย่างหนึ่งผ่านมาแล้วก็ผ่านไปตื่นขึ้นมาวันศุกร์จิตใจสดชื่นเราก็เห็นอีกว่าจิตใจมันสดชื่นขึ้นมาพอมันคิดเรื่องนี้แล้วมันสดชื่น ความสดชื่นมีเหตุก็เกิดพอไปเปลี่ยนเรื่องคิดแล้วความสดชื่นก็หายไปความสดชื่นเป็นนามธรรมาอย่างหนึ่งไหลมาไหลไปความสดชื่นไม่ใช่ตัวเราดูไปเรื่อยๆจะไปขึ้นรถเมย์เห็นคนเต็มป้ายรถเมย์เลยกลุ้มใจนะรู้สึกเบื่อที่จะต้องแย่งชิงกับคนมากมายใจเราเบื่อรู้ว่าเบื่อเห็นรถเมย์ว่างๆมาดีใจรู้ว่าดีใจเห็นรถเมย์ไม่ยอมจอดนะจิตพลิกจากดีใจเป็นโกรธก็รู้ว่าโกรธนี่กรรมฐานเราฝึกกันง่ายๆอย่างนี้นี่เอง เวลาจะทานข้าวเห็นอาหารเห็นกับข้าวที่ชอบใจใจมันดีใจขึ้นมาก็รู้ว่าดีใจเห็นแต่ของไม่ชอบไม่พอใจก็รู้ว่าไม่พอใจใจเราเป็นอย่างไรเราคอยรู้ไปเรื่อยๆตาเรามองเห็นเพื่อนเรามาเราดีใจรู้ว่าดีใจนะเห็นหมาบ้าวิ่งมาเรากลัวรู้ว่าเรากลัวใจเราเป็นอย่างไรเราคอยรู้รู้ง่ายๆอย่างนี้นะรู้ซื่อๆไปรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของใจไปเรื่อยๆอย่าไปเพ่งใจให้นิ่ง จิตใจเป็นอย่างไรรู้ว่าเป็นอย่างนั้นเราจะเห็นเลยว่าจิตใจของเราเปลี่ยนแปลงทั้งวันทั้งคืนไม่คงที่แต่ละวันไม่เคยเหมือนกันบางวันสดชื่นบางวันแห้งแรงแต่ละเวลาในวันเดียวกันก็ยังไม่เหมือนกันตอนเช้าตอนสายตอนบ่ายตอนเย็นตอนค่ําจิตใจเราเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอย่างตอนเช้าตื่นขึ้นมาจิตใจขี้เกียจขี้คร้านจิตใจมืดมืดมัวมั ว, มวนี่โมหะเอาไปกิน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 เพราะจิตนี้เป็นสิ่งที่เรายึดเหนียวแน่นว่าเป็นตัวเรามากที่สุดดังนั้นการดูจิตนี่ง่ายนะถ้าเราดูมาเรื่อยๆจนเห็นว่าจิตนี้ไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงมันทำงานของมันเองทั้งวันทั้งคืนมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามันบังคับไม่ได้พอใจเราละความเห็นผิดว่าจิตเป็นเราเราจะไม่เห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นตัวเราอีกแล้วลาพังเห็นว่ากายไม่ใช่เรานี่ง่ายนะ ทันทีที่สติเกิดจะเห็นว่ากายไม่ใช่เราเห็นว่าเวทนาไม่ใช่เราก็ง่ายพอสติแท้ๆเกิดก็จะเห็นว่าเวทนาไม่ใช่เราแต่การจะเห็นว่าจิตไม่ใช่เรานี่ยากเพราะเรายึดเหนียวแน่นว่าเป็นเราร่างกายมีความแปรปรวนให้เราเห็นได้ง่ายพระพุทธเจ้าเคยสอนนะว่าคนที่ไม่ได้ฟังธรรมปุถุชนที่ไม่ได้สดับนี่คือหมายถึงผู้ที่ไม่เคยฟังธรรมของพระพุทธเจ้าสามารถเห็นได้ว่ากายไม่ใช่ตัวเรา ดังนั้นคนาศาสนาอื่นก็เห็นได้แต่ปุถุชนที่ไม่ได้สดับไม่สามารถเห็นว่าจิตไม่ใช่ตัวเราพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้เลยนะดังนั้นถึงเราดูจนกายไม่ใช่เราแต่เรายังเห็นว่าจิตเป็นเรานี่สักยะาิฐิจะไม่ขาดในขันห้าขาดไปสี่ขันเหลืออยู่ขันเดียวคือจิตเป็นตัวเรา ถ้าสักยะทีท่ิไม่ขาดเป็นพระโสดาบันไม่ได้สี่ขันแรกมันของง่ายโดยเฉพาะกายนี่คนศาสนาอื่นก็รู้ว่าไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงเพราะมันอยู่ชั่วคราวเดี๋ยวก็ตายหน้าที่ของเราปีนี้กับปีกลายยังไม่เหมือนกันเลยหน้าเราตอนนี้กับตอนเด็กๆ ก, ก็ยังไม่เหมือนกันเลยไม่มีอะไรเหมือนกันสักอันเดียวแต่จิตนี้เกิดดับรวดเร็วพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าทําไมปุถุชนที่ไม่ได้สดับไม่สามารถเห็นว่าจิตไม่ใช่เราเพราะจิตเกิดดับเร็วมาก มันเร็วจนกระทั่งต่อเนื่องเหมือนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันคล้ายๆเราดูการ์ตูนนั่นเองเราเห็นตัวการ์ตูนโดเรมอนเดินไปเดินมาอยู่ในโทรทัศน์ได้แท้ที่จริงมันคือภาพแต่ละภาพที่มาต่อกันอย่างรวดเร็วนั่นเองภาพแต่ละภาพที่เกิดดับสืบเนื่องต่อกันอย่างรวดเร็วจนเราเกิดสำคัญมั่นหมายว่ามีโดเรมอนขึ้นมาจิตของเรานี่แหละเกิดดับสืบเนื่องต่อกันรวดเร็วจนเราสำคัญมั่นหมายว่ามีจิตเป็นตัวเราที่คงที่ถาวร อ, อยู่ตัวหนึ่ง แล้วจิตนี้ทำงานเคลื่อนไหวต่างๆนานาได้แต่ถ้าเรามาหัดดูจิตให้ชำนาญนะเราจะเห็นเลยว่าจิตนี้เกิดดับตลอดเวลาจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปดวงหนึ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่างนี้ตลอดเวลาเดี๋ยวจิตก็เป็นกุศลเกิดขึ้นมาเกิดได้แวบเดียวก็เกิดจิตอกุศลอีกแล้วจิตอกุศลมักจะเกิดขึ้นซ้าๆเยอะนะ เช่นใจลอยไปเรื่อยๆห้าร้อยครั้งนะเกิดจิตที่รู้สึกตัวขึ้นมาว่าเมื่อกี้ใจลอยไปรู้สึกตัวขึ้นหนึ่งแวบแว็บเดียวนะแต่ตอนใจลอยนี่ห้าร้อยแวบยังน้อยไปเลยนะใจลอยได้ทีหนึ่งเป็นชั่วโมงแต่เวลารู้สึกตัวรู้สึกตัวได้ขณะเดียวทีละแวบเดียวนิดเดียวเพราะฉะนั้นจิตส่วนใหญ่เป็นอกุศลเราจะเห็นเลยนะว่าจิตอกุศลเกิดร้อยเรื่องพันเรื่องเลยเสร็จแล้วเกิดจิตที่รู้ทันขึ้นมาแวบหนึ่งเดี๋ยวเกิดจิตอกุศลต่อไปอีกแล้ว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 จิตฟุ้งซ่านตัวนี้ไม่สบายไม่ค่อยมีความสุขแล้วนี่คือจิตใจมันเกิดดับหรือบางคนดูได้ละเอียดเดี๋ยวเห็นจิตเกิดที่ตาดับที่ตาจิตเกิดที่หูดับที่หูจิตเกิดที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจจิตเกิดที่ไหนดับที่นั่นเห็นจิตเกิดดับสืบเนื่องไปเรื่อยๆการที่เราเห็นบ่อยๆดูซ้าแล้วซ้าอีกไปถึงจุดหนึ่งปัญญามันจะแจ้งขึ้นมาจิตมันจะรวมเข้าอัปปนาสมาธิรวมเองเลยถึงไม่เคยเล่นฌานมาก่อนนะ ถึงจุดนี้จิตจะเกิดอั ป, ปนาสมาธิเกิดฌานอัตโนมัติตั้งแต่ปฐมฌานขึ้นไปจนถึงฌานที่แปดเลยเกิดได้ถึงฌานที่แปดเลยพอจิตรวมลงไปแล้วจิตจะเห็นสภาวธรรมบางอย่างเกิดดับสองสามขณะบางคนเห็นสองครั้งบางคนเห็นสามครั้งเห็นสิ่งบางสิ่งปรากฏขึ้นแล้วก็ดับปรากฏขึ้นแล้วก็ดับไม่รู้สิ่งนั้นคืออะไรเพราะไม่มีสัญญาไม่มีความสําคัญมั่นหมายว่าคืออะไรไม่มีความคิดนึกปรุงแต่งเจือปนเลย จะเห็นแต่สภาวธรรมเกิดดับสองสมขณะถัดจากนั้นจิตจะวางการรับรู้สภาวธรรมทวนกระแสเข้าหาธาตุรู้จะทวนเข้ามาในขณะที่วางการรู้อารมณ์นั้นไม่ใช่ปุถุชนแล้วในขณะที่ธาตุรู้แท้ๆยังไม่ปรากฏขึ้นก็ไม่ใช่พระอริยบุคคลที่นี้พอทวนกระแสเข้าถึงธาตุรู้อริยามรรคจะเกิดขึ้นมันจะประหารสังโยชน์มันจะแหวกอาสวะกิเลสจะแหวกสังโยชน์แหวกกิเลส ช, ชั้นละเอียดในจิตในใจของเรานี่ออก จะถูกแหวกออกแหวกชั่วขณะเท่านั้นแหละอุปสรรคผลจะเกิดขึ้น2ขณะบ้างสมขณะบ้างแต่ละคนไม่เท่ากันพวกที่อินทรีย์กล้าจริงๆนะจะเกิดผลสมขณะพวกที่อินทรีย์ไม่กล้าจะเกิดโสดาปฏิผลสองขณะพวกสองขณะนี้คือพวกเกิด7ชาติพวกสามขณะนี่คือพวกเกิดน้อยแล้ว2ชาติสมชาติ1ชาติก็จะถึงที่สุดแห่งทุกข์แต่พวกเจดชาติไม่ใช่ว่า7็ชาติแล้วต้องเจ็ดจริงๆนะ ถ้าถัดจากนั้นขยันรู้ขยันดูต่อไปก็จะลดลงได้อีกอินทรีย์มันจะกล้าขึ้นกระบวนการตรงนี้จะเกิดแวบเดียวเท่านั้นเสร็จแล้วจิตจะถอยออกมาจากสมาธิกลับมาสู่โลกข้างนอกจิตจะทวนกระแสกลับเข้าไปพิจารณาสภาวะธรมรมที่เกิดขึ้นแล้วจะรู้เลยสักยะทิฏฐิขาดไปแล้ววิจิกริชฌาความสงสัยในพระราชณัฎไตราขาดไปแล้วศีลแลพะตะปรามาศการถือศีลบําเพ็ญพรดการปฏิบัติธรรมแบบโง่งงายไม่มีอีกต่อไปแล้ว ดูลงมาทีไรจะกลวงๆไม่มีตัวเราอีกต่อไปแล้วพวกเราดูไปจะมีตัวเราอยู่ทุกทีรู้สึกไหมถ้าได้โสดาดูไปจะไม่มีตัวเราแล้วค่อยฝึกนะค่อยฝึกไป